คุณและําเกิดภายในดวงใจอยากทิดใจมืดมนการบำเพ็ญเริ่มแรกรู้ฝึกฝนนินนนิดเข้าใจจุดประสงค์แต่เมื่อฉันเจน แล้วคืออินแปลทองซึ่งปนจนเรื่องสกา ภั้เสมอันพุธาใจอาจารย์ห่วงเวไนเพียงใดสิิตมองไกลกว้างเธอคุณนิธรรมเกิดธรรมกลางจิต ต่อสู้ไปอย่ากลัวทุกใดทิ้มแทนใจเป่งขัดฝนให้ตนเป็นทอหักยิงฝน เช่นพุทธ